จิตรางขนางเหรอสุดสิ้นความเป็นตัวของตัวเองหญิงสาวพึมพำออกมาอย่างเลื่อนลอยใช่ข้าจำตัวของข้าเองได้แล้วมันไรขาจะชสารทั้งสามเชือกนี่ซึ่งกลายเป็นศิลาไปหมดแล้วเหตุใดจึงไปรับค่ากลับคืนถิ่นได้ล่ะ ด้วยมหิตที่อำนาจแห่งมหาคัมภีร์มายาวินด้วยดวงจิตอันแน่วแน่มั่นคงต่อความรักของมันไรที่มีต่อเบื้องพระบาทสเสวตดนันคดชสารทรงประจำพระองค์ทั้งยามเรียบพระนครและยามออกศึกกับไอเยเรตอลงกรมหินทอนหับถีช้างดันช้างแซง อีกสองเชือได้กลายสภาวะเป็นช้างดุดมีชีวิตจริงชั่วการหนึ่ง<ๆ>เพื่อไปรับเสด็จมาโดยเฉพาะและเมื่อนำจิตรางขนางมาถึงณที่นี่แล้ว<ๆ>เขาทั้งสามก็แปลสภาพกลับไปสู่ความเป็นโคศีลาตามเดิมพระเจ้าค่ะมันไร นี่ข้าได้กลับคืนสู่อดีตของข้าท่านกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหินเป็นหุ่นไปหมดแล้วเหรอเนี่ยจิตรางขนางรําพึงเศร้าพรางเหลียวแลไปสู่ความวิเวก ร, รอบด้าน <c oughs> <c oughs> จิตรางคนางสรรพสิพสงณนะสถานทิณ น, นี้จะกลับคืนมาสู่ความมีวิญญาณดุจเดิม เมื่อพระบาทของพระองค์แตะลงสู่มหาปราศาสและทุกสิ่งที่แวดล้อมรอบพระตายจะคงสภาพอยู่ชั่วนิรันดร์การดังมันไตรได้กราบทูลไว้ก่อนแล้วพระเจ้าข่ามันไตรตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยขนาดนี้ทำไมข้ามองไม่เห็นท่านล่ะ มันไจ ร, รอเจ้าหญิงจิตรางขะนางอยู่แล้วรออยู่ที่มหาปราศาสตร์ของพระองค์เองและจะส่งให้ทหารรักษาพระองค์ราชองครักเดิมอันเชิญวอทองไปรับณบัดนี้ขอจงสเสด็จลงจากคอคคจสารหินประทับมาในวอทองนั้นเถิดพระเจ้าขา้า <c oughs> ขาดเสียงนั้นก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเหยียบย่ำมากับพื้นปฐพีดังเป็นจังหวะสับหรพร้อมมันดังเหมือนเสียงกองทหารที่ย่ำเท้าพร้อมเพรียงกันอย่างเต็มไปด้วยระเบียบวินยัยเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็นลําดับเสียงฝักดาบ แต่งกระทบดังกังวานก้องตามจังหวะที่ก้าวเดินอย่างอาจองค์นั้นขณะหจิกต่อมาหัวแถวหน้ากระดานเรียงสีกองทาหารเกติยศอันจําได้แม่นยําว่านั่นคือส่วนหนึ่งของกองทาหารรักษาพระองค์ประจําองค์มกุณราชกุมารีก็เดินตบเท้าพรึบพรึบงามได้ชุดนักรบล้วนเป็นชายชะกันหน้าตาคมสัน อยู่ในเกราะเงินวาววับสีสันเครื่องแต่งกายแดงสลับดำถือหอกสั้นในมือขวาชูปลายขาววับขึ้นด้านบนถือโล่เป็นตราหัวสิงในมือซ้ายที่งอทาาชิดกับแผ่นอกสวมหมวกทําด้วยโลหะเป็นสายเหมือนสาหรกสีเหลืองทองมีผู้ห้อยขาวทั้งชุดเหล่านั้นก้าวเดินพร้อมกันดุดอาการสวนสนามตรงใกล้เข้ามา จำนวนทหารเหล่านั้นประมาณหนึ่งกองร้อยใจกลางขบวนใช้ทหารแต่งกายสีขาวล้วนแตกต่างกันออกไปทำหน้าที่แบกเสลียงใหญ่อันมีวอทองประดับด้วยวิสูตรเพรสลับไปกับภูษาลายเลือ่อมจำนวนสิบสองคนเดินอยู่ตรงกลางใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกขณะจนสามารถจำได้ ว่าผู้ที่นำอยู่เบื้องหน้าขาบวนนั้นคืออัศวมิตรผู้บัญชาการกองทัพม้าส่วนพระองค์ของมกุฎราชกุมารีจิตรางคขนงังผู้ซึ่งได้เคยแปรพักไปเข้ากับพระเจ้าอาชัยสุริยาอันก่อการขบฏกลางศึกยามเมื่อสมเด็จพระราชบิดามหิิติเดชะต้องคมธนูของอัคนิรุธสิ้นพระชนลงไอขบวอัศวมิตร คิดร่างขนางชี้ดัชนีไปยังนายทหารผู้นั้นพร้อมทั้งแผดสุรเสียงก้องออกมาทันทีที่เห็นนายทหารหนุ่มผู้นั้นและขบวนที่เดินพลึบพลึบเข้ามามิได้มีผู้ใดมีอาการผิดปกติหรือสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิน้นย่าเท้าตรงเข้ามาราวหุ่นยนต์ครั้นถึงก็แปรแถวแยกขบวนออกอย่างงดงามอยู่เบื้องหน้าแล้วหยุดนิ่ง พร้อมกันหมดสุดกายลงคุกเขา่าปรับหอกปักปลายลงสู่พื้นปัตตภีเป็นการถวายความเคารพขณะดเดียวกันทหารที่หามบอทองก็นําเคลื่อนเข้ามารออยู่เบื้องหน้าไอ้พวกทรยศพวกเจ้าร่วมขบถต่อข้าและองค์มหาราชเจ้าทั้งสิน้น จิตรางคนางกรีดเสียงต่วาดเกลียวกลาดออกไปยังกองทหารที่เข้ามาถวายเคารพเหล่านั้นอย่างสุดแค้นหัดข้างหนึ่งชี้บริพาสกราดไปทั่วอีกข้างหนึ่งตะหวัดควานหาอาวุธที่ควรจะมีติดประจำอยู่บนหลังโคชิสารศึกแต่พบกับความว่างปล่าไม่มีสัตรอาวุธใดๆสำหรับมากราชกุมารีจิตรางคนาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว บนหลังช้างหินนั้นปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมที่มีติดเอวอยู่ขนาดนี้นางไม่รู้จักและไม่ได้สนใจกับมันเลยจนนิดเดียวด้วยหมดสิ้นสภาวะของสำนึกในปัจจุบันชาติไปซะแล้วเสียงกำหนดสั่งด้วยมนสกดอันทรงมาหิทธานุภาพอย่างเต็มที่แววมาอีก เหมือนจะเป็นการเตือนสติของนางว่าจิตร้างขันนางป่วยการที่น<า>นพระองค์จะทรงพิโรธโกรดเกรี้ยวต่ออดีข้าทหารนานที่มันไตรทรงให้ไปรับเหล่านั้ น, น, <า>นบรรดาพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวเองเให้รอดไว้ก่อน นาคราที่พระเจ้าอาชัยสุริยาขบฏกลางศึกในครั้งนั้นอีกประการหนึ่งก็ขอยหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏมาแล้วพระองค์เองดวลชิงปัดช่องน้อยแต่พอตัวสังหารชนชีพของตนเองซะก่อนเป็นการปลากทิ้งพวกเขาไปไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้วางแผนร่วมกับมันไร เพื่อชิงเอาราชาบัลลังก์กลับคืนมาได้เลยเมื่อสิ้นมากุฎราชากุมารีจิตร้างทนางไปเสียแล้วในครานั้นของกำลังรักษาพระองค์เหล่านี้จะกระทําสิ่งใดต่อไปได้นอกจากขันไปยอมสวามิพักต่อกษัตชัยสุริยาเพราะหมดสิ้นมิ่งขวัญที่จะยึดเหนียวอีกต่อไปเป็นความผิดของพระองค์เอง ที่ดวนชิงพลงพระชนลงเสก่อนในราตรีนั้นราตรีของสุนทยาที่มา้าทรงม้าศึกตามลำพังพระองค์เองออกไปพบกับอัคนิรุตหน้าค่ายประตูเมืองปัญจาละเพื่อทารกแทนที่พระองค์จะสังหารอัคนิรุธเสียด้วยเป็นโอกาสอันดีเลิศแล้วเพราะข้าศึกออกมาเผชิญพระพักด้วยมือเปล่า พระอง ja. ค์ก็กลับ <Alleg> um. ควกมากลับพื้นมาสู่กองทัพที่ทรยศแล้วยอมกองพระชนที่ของพระองค์เองใช่มันไรในครั้งกันนั้นข้านี่ช่างโง่เขลาเบาปัญญาเช่นนี่กระไรริงสินะถ้าแทนที่จะปาหอกไปปักอยู่กับพื้นปัทภีตรงหน้าเขา ถ้าเพียงแต่ข้าพุ่งหอกเล่มนั้นทะลุตลอดรวงอกอัคนิรุธข้าก็จะสังหารศัตรูคู่ศึกที่ทำให้สมเด็จพระราชบิดาสิ้นพระชนงได้แล้วแต่ข้าทำไม่ลงอัคนิรุธออกมาพบข้าโดยมือเปล่าไม่มีอาวุธใดติดมือมาเลยและเขาก็พร้อมที่จะสละชีวิตให้กับข้าแล้ว บอกกับข้าว่าเขาไม่มีเจตนาจะสังหารพระชนชีพของพระราชบิดาเลยที่กระทำลงไปก็เพราะความเข้าใจผิดส่วนทางข้าข่าก็ไม่ได้บอกให้เขารู้เลยว่าได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในกองทัพสหราชอาณาจักรแล้วเกี่ยวกับการแปรพักทรยศของชัยสุริยาข่ากลับมาสู่ความตายของตัวเอง ดีกว่าที่จะทําให้ชายที่ข้ารักต้องเลือดตกแม้แต่หยดเดียวจิตร่างขนางรําพึงสลด <c ười> จิตร่างขนางแต่พระองค์ไม่ได้คิดถึง <c ười> สัตสัญญา <c ười> ที่มอบให้แก่มันไรบ้างเลย <c ười> มันไรผู้พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพระองค์อยู่ทุกขนัน呐 และพระองค์ก็ทรงพลนันหนีมันไกลไปด้วยความตายอันทําให้มันไรต้องเฝ้ารอคอยพระองค์รอคอยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยการเวลาอันยาวนานนะแล้วบัดนี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาถึงแล้วจะรีรอล่าช้าอยู่ยัยแล้ว จิตราคานางเสด็จลงมาจากพอกโคจะสารหิงแล้วกระทักมาในวอทองที่ไปรอรักนั่นเิอพระเจ้าค่ะอัศวมิตรและทหารของข้าเหล่านี้ฉไหนนี่เงียบเฉยเราหุ่นพวกเขาจะไม่ทักทายมากราชกุมารีของเขาบ้างเชิวเหรือเนี่ยมันไร จิตรางคนางฝากพระบาทจะได้สนพระไทยกับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเลยพระเจ้าค่ะอดีตทหารหาของพระองค์เหล่านั้นบรรดาลกลับฟื้นคืนมาก็โดยมนตราของมันไครเขาหาได้มีสภาพของชีวิตเยี่ยงมนุษย์ยิงใดๆเลยปุยการ ปุยการที่พระองค์ะงจะทัดทายปราศายด้วยสภาวะของพวกเขาดุดเดียวแล้วเขาจะสารทั้งสามที่ไปรับพระองค์ามาแล้วนั่นเองขอให้พระองค์ประทับอย่างวอทองบนเสลียงการหามนั่นเถิดพวกเขาจะนําเสด็จมายังมหาปราศาสตรที่มันไรกําลังรอรับเสด็จอยู่พระเจ้าค่ะ อย่างสิ้นสำนึกของสภาวะปัจจุบันชาติดารินบาราริตผู้ย้อนกลับไปสู่ความเป็นจิตรางคนางไต่ลงจากคอคดจสารหินนั้นทันทีโดยลงทางด้านหน้าเหยียบงาและไตาตามงวงลงไปกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำที่นำไตตัวมาด้วยพร้อมทั้งสเสบียงเผือกมันคงทิ้งคาอยู่บนหลังช้างหินอย่างไม่สนใจใยดี ผื่นสั้นประจำตัวตอนที่ยังเป็นดารินยังติดเอวอยู่ก็เพราะมันสอดอยู่ในซองเข็มขัดแต่นางก็ไม่ได้หวนคิดหรือรู้สึกใดๆเลยต่อวัตถุนั้นทันทีที่บาททั้งสองเหยียบย่างลงแตะพื้นพระสุทาเสียงกระหึ่มของค้องชัยก็ดังกังวานก้องขึ้นไป ต, ตามมาด้วยปีฉไหนแรสังสัพพดุริยางในยุคอดี นางได้ก้าวขึ้นไปบนแท่นประทับวอทองแล้วทุดกายลงนั่งครั้นแล้วเสลียงคานหามก็ถูกยกขึ้นแบกโดยทหารประจำเสลียงเหล่าทหารรักษาพระองค์ที่เห็นล้อมอยู่รอบด้านเหล่านั้นก็ลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพรียงตั้งแถวออกย่ำเท้านาเคลื่อนที่ไปในบัดนั้น เสียงฝีเท้าเดินดังเป็นจังหวะเหมือนครั้งที่เดินตรงเข้ามาอีกครั้งบ่ายหน้านำไปยังมหาปราสาทที่แลเห็นเรืองรองอยู่นั้นตามถนนซึ่งตัดผ่านไปในสุมทุมพุ่มพลึกงามสะพรั่งของราชอุทยานแผ่นน้ำในสระเริ่มเคลื่อนไหวเป็นคลื่นริวร้ว กิ่งใบช่อระดาชาติก็โยกไกวอยู่น้อยน้อ ย, อยมูมแมลงเหล่าสกุลชาติเริ่มส่งเสียงสัญญาณแห่งชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นจากสภาพที่เคยสงบนิ่งเหมือนภาพเขียนในครั้งแรกนางได้ทอดเนตรเหลือบแลไปรอบด้านของทางผ่านดุจคนที่จากบ้านเกิดไปนานแล้วหวนกลับมาอีกครั้ง เสียงหัวเราะต่อกระซิกของนางกำนันข้าหลุนมเสียงดนตรีประโคมขับกล่อมนกยูงที่เดินอยู่กรีดรายคำรนของเสือดาวที่เลี้ยงไว้ในราชฐานชั้นในเหล่านี้เริ่มเห็นและเริ่มได้ยินชัดเจนตามเส้นทางที่ผ่านมาครั้นแล้วชั่วไม่นาน กองทหารนำขบวนและแบกเสลียงเหล่านั้นก็นำนางมาถึงลานหินอ่อนสีชมพูสลับลายม่วงหน้าประสาทใหญ่อันทอดขึ้นไปสู่บันไดหินกว้างซึ่งมีอยู่หลายชั้นเชิงบันไดแต่ละช่วงจะมีรูปสิงโตหินหมอบระ ง, งานอยู่และมีเสากลมคำยันสูงสลักสล่าวายอย่างวิจิตรบรรจงฝังประดับไปด้วยแก้วการหลากสีสัน เมื่อได้นําขึ้นมาสู่ลานพักสูงจากระดับพื้นชั้นล่างมาถึงสามชั้นทหารที่แบกเสลียงก็บรรจงวางเสลียงนั้นลงแล้วทั้งขบวนก็ชิดเท้ายืนตรงนี่ชายร่างสูงใหญ่ในชุดขุนศึกซึ่งยืนรออยู่ก่อนแล้วก็ก้าวโผล่ออกมาจากเงาบังของเสาหินใหญ่เดินตรงเข้ามาอย่างแช่มช้า จิตร่างคนา9บาทลงจากวอทองมายืนประทับนิ่งจ้องมองร่างของชายวัยกลางคนในชุดขุนศึกผู้นั้นเขาได้ยกมือขึ้นตบช้าๆ3ครั้งกองทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดหันหลังกลับพร้อมกันแล้วนำวอทองเดินลงขั้นบันไดหินลงไปในทันทีนะักบัตรนี้จึงมีแต่จิตร่างคนา ประทับยืนเด่นขเขม่นจ้องมองไปยังขุนศึกผู้นั้นซึ่งย่างเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องพระพักพร้อมกับน้อมกายลงถวายเคารพพร้อมด้วยรอยยิ้มน้อยๆสัตยันท่านหรือนั่นราชกุมารีแห่งนิทรานครเอ่ยทักขึ้นอย่างตื่นตื่นรักคนฉงน จิตรางขนางทอดพระเนตให้ลึกซึ้งลงไปในใบหน้าและเรือนร่างนี้เถิดแล้วใต้ฝ่าพระบาทจะมองเห็นแก่นแท้ภายในของเรือนร่างขุนศึกสัตยันว่าผู้ใดที่เข้ามาสิงสู่อยู่จิตรางขนางขมวดคัมหนงเพ่งแล้วนางก็แลเห็นเงาของราชปุโรหิตโลน แฝงเงาซ้อนอยู่ในใบหน้าของขุนศึกคู่พระไทยของพระราชบิดาท่านนั่นเองราชปุโรหิตมันไรมหาราชครูเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าที่ยังทรงจำมันไรได้มันไรจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในร่างของท่านสัตย์ยัน พระร่างเดิมของมันไรนะ่ะสูญสลายไปแล้วโดยกองอัคีของอัคคนิรุธในคราวนั้นบัดนี้บัดนี้จิตรางคนางได้บรรลุถึงแล้วซึ่งสถานพินอันเป็นแหล่งกําเนิดเดิมของพระองค์เองไม่มีสิ่งใดที่มันไรจะปราบปลื้มโสมนัตไปกว่านี้อีกแล้วต่อให้ได้มหาสมบัติของสวรรค์ชั้นเจ็ด ก็หาเสมอเหมือนไม่นี่มันใจท่านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะแม้แต่ลูกประคำที่ทำด้วยเพชรตาแมวห้อยคออยู่สามเส้นเหล่านั้นแล้วก็ดวงตาบอดไปข้างนึงนางกล่าวขึ้นอย่างสนิทสนมร่างที่มีเงาของราชปุโรหิต ที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินซ้อนทับอยู่รางรางนั้นถาวายคำนับอีกครั้งอีตรางขนางความทรงจำของพระองค์ดีเหลือเกินและยังทรงจำได้มิใช่หรือว่าที่ดวงตาของมันไรโบดไปข้างหนึ่งนั้นเกิดจากความจงรักภักดีที่มีต่อองค์มหิติเดชะผู้เป็นเจ้าเนื้อหัว และพระราชธิดาผู้เข้ามาอ้อนวอนเพื่อขอให้มันไครควักในตาข้างหนึ่งออกไปผสมเป็นโอสดถวายแกสมเด็จพระราชาบิดาเพื่อยืดพระชนชีพออกไปเมื่อคราวที่เท้าเธอประชวนหนัก <c oughs> จิตรางขนางแย้มสวนในน้อยใช่สิมันไร ท่านเสียดวงตาไปข้างหนึ่งแต่ย่อมไม่กระไรนะดอกมันไรเพราะต่อให้ไม่มีดวงตาเลยท่านก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทะลุฟ้าทะลุดินท่านเป็นผู้มีทิพยจักรสุอยู่แล้วนี่ตาเนื้อมันหาได้มีความหมายใดๆแก่ท่านไหม <laughs> ถูกต้องถูกต้อ ง, องจิตรรงขันนางแต่ความหมายที่มันแสนสำคัญที่สุดก็คื อ, อพระองค์ทรงหลอกลวงมันไรมาตลอดนั่นต่างหากในกรณีที่ให้สัญญาว่าให้สัญญาว่าอาเดอ ะ, อะมันไรเราอย่าพูดถึงความเก่าที่ทำให้ท่านเจ็บช้ำอีกเลยนะบัดนี้ ก็ได้กลับคืนมาสู่ท่านตามปราถนาแล้วนี่นางพยาแห่งนิทรานครรับสั่งยิ้มยิ้มแล้วยื่นประหัตไปให้อ่ะจับมือข้าสิแล้วนำข้าไปยังห้องที่ท่านเคยสถิตอยู่บนบัลลังครั้งที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีมันไรเอื้อมมือจะมารับหัตที่ทอดมาให้อย่างอ่อนช้อยนั้น แต่แล้วก็ชะ ง, งักสีหน้าอันละไมไปด้วยรอยยิ้มหยุดชะ ง, งักเป็นเครียดขึมทันทีกิจกลางคันนางข้าพระองค์ไม่อาจจะไต่ต้องสัมผัสพระวรากายได้แม้แค่ปลายนักขาในเวลานี้ขออัญเชิญสเสด็จตามันไพรมาเถิดพระเจ้าค่ะ แล้วพระองค์จะได้ทอดพระเนตรในสิ่งที่ต้องการเห็นกล่าวจบบุรุษในชุดขุนศึกวัยกลางคนอันสง่างามผู้นั้นก็หมุนกายกลับเดินนำก้าวขึ้นบันไดต่อไปช้าจิตรางคณางสาวพระบาทตามมาเบื้องหลัง ผ่านห้องโถงใหญ่อันเป็นทองพระโรงที่ประทับเป็นประธานยามประชุมเสวกามากข่าราชบริพานชั้นผู้ใหญ่ขวายในอันกว้างขวางโดยจะทิ้งระยะห่างเกินเอื้อมถึงเล็กน้อยทางก็กราบทูลอธิบายให้ทราบไปทุกระยะว่าตำแหน่งใดสถานที่ไหนเคยเป็นที่ใช้ปฏิบัติภารกิจใดๆบ้างของจอมกระสับ และพระราชธิดาผู้ยิ่งใหญ่และในที่สุดก็นำเข้ามาถึงห้องหนึ่งอันมีวิสูตรแพร่สีทับทิมกั้นอยู่ยังส่วนที่ลึกเข้าไประดับเรียงรายไปด้วยเครื่องสูงของกษัตริย์และสรพรพาอาวุธที่ตั้งอยู่ในรางประดิษฐ์ด้วยงาช้างประกอบไปด้วยวิชนีหางนกยูงขนาดใหญ่บางศูนย์กันชิงจามอน พุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองสัพพสิ่งเหล่านี้ตั้งประดับอยู่ณนะตำแหน่งอันถูกต้องเป็นระเบียบปราศจากสิ่งอันเป็นความเกา่าคร่ำคราบและไร้ซึ่งฝุ่นละอองราวกับมีพนักงานมาคอยทำความสะอาดพิทักษอยู่อย่างสม่ำเสมอคติยนารีผู้เป็นเจ้าของปราศาสตร์กวาดพระเนตรไปโดยรอบ สิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะมันไตรท่านพิทักษรักษาไว้ให้คงสภาพเช่นนี้อยู่ย่ายยังไงกันเนี่ยมันไตรนางร้องออกมาอย่างตื่นเต้นดึงพระแสงหอกสั้นเล่มหนึ่งขึ้นมาดอกกระชับอยู่ในมือด้วยความคล่องแคล่วชำนาญมันไตรในร่างขุนศึกที่ยืนอยู่หน้าวิสูทธ่างออกไปเพียงสามสี่เก้าเพ่งดวงตาคมกริบจับนิ่งมาอย่างกึ่งระแวงกึ่งขยัน ยายาพระเจ้าค่ะอย่าทรงต่ต้องกับสรรพาอาวุธและทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มิฉะนั้นการเวลาจะผันกลับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหม ด, หมดก่อนที่พระองค์จะได้มีโอกาสทอดพระเนตรในสิ่งที่ควรจะได้เห็นจิตร่างขนางสวนเสียงใสเดอะพระแสงหอกอยู่ในหัดอย่างขนองพระไทย จริงสินะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนี่ถ้าข้าคว้าอาวุธขึ้นมาครั้งใดท่านเป็นรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในครั้งนั้นมันไรหอกเล่มนี้หรือเปล่าที่ข้าตีแสกหน้าของอัคนิรุ์พลัดตกจากหลังม้าศึกในวันประลองยุทธ์ขณะรับสั่งนางก้มลงพิจารณาหอกสั้นประจำหลังมา้าด้วยความมั่นพระทัยยิ่ง จิตรางขนางไม่มีนักรบหรืออธิราชเจ้าขุนซื้อแควนแควนใดจะสามารถต้านเพลงหอกของจิตรางขนางได้ในยุคนั้นยกเว้นก็แต่อาคคนิรุทเท่านั้นเล่ของเจ้าชายแห่งแควนปัญจาละนะ่ะสูงนักเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์และถวายพระเกียรติให้แก่มกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรใหญ่ จึงแทงเป็นพลาดพลัง้งปล่อยให้พระองค์ฟาดด้วยด้ามหอกพักลนจากหลังม้ากลางงานประลองยุทธไม่มีใครเท่าทันอุบายแม้แต่พระองค์เองจะมีก็แต่มันไรเท่านั้นมันไรเท่านั้น <c oughs> ได้โปรด ว, วางพระแสงหอกนั่นลงเสถเิดพระเจ้าค่ะ สิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของข้าไม่ใช่เหรอมันไรานางเอียงคอถามมาแล้วเริ่มทดลองควงหอกเป็นจักผันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นลำดับจิตรางคานางทุกสิ่งทุกอย่างนะที่นี้เป็นสมบัติเก่าดั้งเดิมของพระองค์แต่ถ้ายังไม่ยอมเชื่อฟังมันไร ทุกสิ่งทุกอย่างจะประราศนาการย่อยยับไปหมดด้วยการเวลากว่าแสนปีที่ผ่านมาแสนปีราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรอุทานโยนหอกขึ้นสูงแล้วรับไว้ในประหัตเบื้องซ้ายแต่ข้ารู้สึกคล้ายๆมันผ่านมาเมื่อวานนี่เอง อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนี่ถ้าข้าจะลองคว้างหอกเล่มนี้ไปที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งของท่านมันไรจิตรางคันนางวางพระแสงหอกณนะัที่เดิมเดียวนี่บัดนี้พระองค์ย่างเข้ามาสุรัศมีอันทรงอำนาจของมหาคัมภีมายาวินแล้ว มิฉนั้นพระองค์จึงกลายสื้าเป็นซากแสนปีไปในพริบตาดุเดียกับซากทั้งหลายที่พระองค์เคยพบเห็นมาแล้วนางชะงักแล้วเสียบหอกกลับคืนไปยังที่ประดับตามเดิมพร้อมกับยักไหลเอ้าขยังไม่อยากจะมีสภาพเป็นซากแสนปีดังที่ท่านขู่ว ก่อนที่จะได้เห็นในสิ่งที่ข้าต้องการเห็นอ่ะในลองเปิดม่านที่บังไว้นั่นออกมาซิมันไรในสภาพของขุนศึกอันมีลักษณะของมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อชีวิตทุกอย่างไม่ผิดแปกไปเลยมันไกลมีอาการเหมือนจะโล่ง อ, อกเมื่อนางยอมวางหอกเล่มนั้นแล้วเอื้อมือไปดึงสายวิสูต์ออกช้าๆ เมื่อวิสูดสีทับทิมเคลื่อนเผยออกจากการปิดสนิทเข้าหากันสิ่งที่ถูกบดบังไว้ภายในก็ปรากฏขึ้นเด่นชัดสตรีสาวผู้กลับชาติมาเกิดในอีกนามหนึ่งและได้ลืมปัจจุบันชาติของตนเองไปชั่วขณะจ้องตะลึงนางก้าวเดิอนอย่างช้าๆตรงเข้าไปคันแม่นดูในระยะใกล้ พินิษทุกส่วนสัตว์ของภาพที่มองดูคล้ายปั้นด้วยขี้ผึ้งอันเหมือนคนที่มีชีวิตจริงที่สุดนั่งเด่นอยู่บนบัลลังก์ทองสูงตรงางภายใต้ฉับชุมสายมันไพรนางอุทานก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบข้ายืนอยู่หน้าที่นี่แล้ว แล้วฉันไหนจึงขึ้นไปนั่งอยู่บนบันลังนั่นนี่ข้าแบ่งพากตัวเองได้หรือยังไงพร้อมกับร้องออกมาเช่นนั้นนางยกมือทั้งสองขึ้นรูปหน้าตัวเองแล้วคลาไปทั่วทั่วกายอันเต็มไปด้วยเลือดเนื้อแล้วจ้องไปยังร่างฝาแฝดเท่าคนจริงที่สถิตนิ่งอยู่บนบันลังนั้นตามไม่กระพริบ จิตรางคันนางจิตรางคันนางในชาติภพนี้ประทับยืนอยู่ที่นี่แต่จิตรางขนางในชาติภพก่อนเคยประทับอยู่บนบัลลังก์นั้นภาพนี้เป็นแต่เพียงภาพที่สมเด็จพระราชมิดาให้ปฏติมากรปั้นไว้เป็นที่ระลึก ณวันที่เสด็จขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรไทยสาลทอดพระเนตรจะให้ไตมเนตรสิแล้วหาความแพกเพี้ยนให้พบยกเว้นแต่ฉลองพระองค์ที่แตกต่างกันไปเท่านั้นจำพระองค์เองได้แน่ชัดแล้วหรือไม่ เสียงนั้นดังตอบมาจากมันไพรสตรีสาวร่างนั้นควรจะเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริตในชาติภพนี้เพราะทุกส่วนสัตว์แห่งสรีระอันประทับเด่นอยู่บนอัสนะหินแพรวพรวประดุดระดับด้วยเพชรล้วนๆนั้นเป็นสิ่งจำลองราวกับจะแกะออกมาจากแม่พิมพ์อันเดียวกัน นิขนงวงพักนาศิโอหนุลำคอช่วงอังศาและขนาดของวรกายถ้าจะแตกต่างก็เพียงเครื่องประดับเท่านั้นพราะนางผู้ประดับเพราะนางผู้ประทับอยู่บนอาสนะนั้นทรงเครื่องเยี่ยงนางกษัตริย์เต็มอิสริยยศ ระดับด้วยมงกุฎของราชกุมารีผู้จะครองตำแหน่งจักรพรร ด, ดินีต่อไปในอนาคตสรรพสิ่งที่เป็นปวงถนิมพิมพาพรประดับทั่วองค์ล้วนเป็นปวงอัญมณีและโลหะอันล้ำค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้สองประกายอยู่เรื่องร้องพราวระยับมิได้มีสิ่งใดหมองคล้ำเป็นมลทินไปเลยพักเช่อ สอและอังสาตั้งตรงเป็นสงา่าเฉยเมยสงบเคร่งขรึงเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจและความงามพระหนึ่งจะเหยียบทั้งสามโลกไว้ภายใต้อุ้งบากผิวพันเส้นเกษาที่เป็นคลื่นยาวสยายเคลียอังสาตลอดจนดวงเนตรที่เบิกลืมทอดแลออกไปเบื้องหน้านั้นเหมือนบุคคลที่มีชีวิตจริงทุกอย่าง เพียงแต่สนิทนิ่งไม่ไหวติงเท่านั้นจิตรางคนางผู้กลับชาติมาเกิดบัดนี้เริ่มเคลื่อนไหวแช่มช้าเดินวนภาพหุนแกะสลักของตนเองไปรอบๆแล้วมาหยุดยืนเอียงคอพินิษ ด, ดูเบื่องหน้าอีกครั้งจิตรางคนางทรงระลึกได้แล้วหรือไม่พระเจ้าค่ะ น้ำเสียงแผ่วต่ำของมันไรดังกระซิบเตือนมาจากเบื้องหลังนางยกหัดทั้งสองขึ้นกอดอุระพร้อมก้มเสียงลงนิดหนึ่งข้าจำได้แล้วมันไรข้าจำได้แล้วภาพจำลองของข้าสถิตอยู่ย่างแหล่งนี้สมเด็จพระราชบิดาได้ให้ช่างปฏิมากรรม นามว่าวิชนุ ก, กรเป็นผู้รอและสลักขึ้นด้วยขี้พึ่งภายหลังวันสถาปานาค่าขึ้นดำรงตำแหน่งราชกุมารีผู้รังบัลลังของสหราชาณาจักรใช้เวลารอปั้นแกะสลักเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นโดยฝีมือประกอบด้วยอาคมทางด้านศินละปะของเขาและหลังจากนั้นอีกสองขวบปีต่อมา มหาสงครามใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นโดยการแข่งเมืองของแคว้นปัญจาละซึ่งกลายเป็นศึกยืดเยืย้อติดพันกระทั่งในที่สุดทั้งสมเด็จพระราชบิดาและตัวข้าเองก็ถึงแก่การแตกดับและราชวงศ์ก็เปลี่ยนไปราชธานีแห่งนิทรานครได้ย้ายไปอยู่ทางด้านตะวันตกของราชธานีเดิมทอดทิ้งที่แห่งนี้ไว้ให้เป็นเมืองร้าง ไม่ร่างรอกพระเจ้าค่าแม้กษัตริย์ชัยสุริยาจะย้ายราชธานีไปยังฝากตะวันตกภายหลังสมเด็จพระราชทิพระราชบิดาและใต้ฝ่าพระบาทเองได้สิ้นไปแล้วแต่มันไรก็ยังคอยดูแลเก็บรักษาถนอมไว้จากการนั้นมาจวบเท่าทุกวันนี้เมื่อครั้งธรณีพิโรธ บรรดาให้แผ่นดินถล่มและเปลวอาคีพุทธพุ่งขึ้นมาจากใต้แผ่นพิภพทุกหุนทุกแห่งของมหาอาณาจักรสลักหักพังจมอยู่ใต้แผ่นดินหมดคงเหลือไว้แต่มหาปราศาสตของจิตรางพนางเท่านั้นที่ถูกปกป้องไว้ด้วยอาถรรพ์เวทของมันปลายมิให้มีส่วนใดบุกสลายปรากหักพังลงไปได้แม้แต่น้อยนิด เพียงแต่สุดตัวลงมาอยู่ใต้ระดับของพื้นปัฐพีเดิมเท่านั้นพระเจ้าค่ะเออนี่มันไรภายหลังจากที่ข้าได้ดื่มยาพิษข้าตัวเองไปในราตรีนั้นแล้วข้าก็ไม่รู้เห็นหรือจำเหตุการณ์ใดๆ ไ, ได้อีกเลยขับลงใจแน่นอนแล้วว่าข้าต้องตายภายในราตรีนั้นเพื่อหนีความชอบช้ำอับประยศ์ทั้งมดขารู้ ว่าแม้ชัยสุริยาและกองทัพส่วนใหญ่ทั้งหมดจะขบฏต่อข้าและท่านจะต้องสามารถเอาบัลลังก์จักรพรร ด, ดินีกลับคืนมาให้ข้าได้พระชัยสุริยาเหรอจะต้านอํานาจฤทธิเดชเวทมนต์ของท่านได้แต่จะยังประโยชน์อันใดล่ะที่ข้าจะต้องสละตัวเองให้แก่ท่านโดยที่ความรักความเสน่หาทั้งหมดข้าได้มอบให้แก่อัคนิรุธไปแล้ว และศึกใหญ่ก็จะต้องเกิดขึ้นต่อไปในระหว่างท่านกับอัคนิรุธซึ่งข้าเชื่อแน่ว่าต่อให้เรื่องวิทยาคมซักปานใดท่านก็สู้เขาไม่ได้แน่เขาจะต้องช่วงชิงข่ากลับคืนไปจนได้ทว่าเป็นการช่วงชิงไปได้ยาเมื่อข้ามีราคีกับท่านชะแล้วแล้วข้าจะอยู่ดูหน้าเขาได้อีกชั้นไหน ถ้าไม่ตายซะในคืนนั้นก็จะต้องตายอย่างช้ำชอกหนักในวาระต่อไปข้าจึงต้องชิงตายซะก่อนข้ารู้ดีมันไกรว่าหากข้าตายลงเมื่อใดก็เท่ากับเป็นการแก้แค้นอัคคณิรุธให้เขาต้องตายทั้งเป็นไปด้วยนี่แหละคือเหตุผลของข้าถ้ามันไกรไม่เคยรู้มาก่อน ก็ขอให้รับรู้ไว้ณนะบัดนี้เถอะนะมันไตร่นิ่งในลักษณะมึนซึมไปครู่ใหญ่จิตรางขนาข้าพระองค์เพิ่งจะเข้าใจกระจ่างชัดเอาเดี๋ยวนี้เองจิตรางขนางผินพักไปจ้องหน้ามันไกรในคราบของขุนพลสัตยัน มันไรท่านไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะบัตรนี้ถึงยังไงข้าก็ได้กลับคืนมาแล้วกลับมายังสถานถิ่นเดิมของข้านี่ไนงะใบหน้าที่แลดูหม่นหมองเคร่งเครียดนั้นเริ่มปรากฏรอยเสยยิม้มแฝงลึกไปด้วยเลสไน <c oughs> <c oughs> จิตราคานาง <c oughs> ถึงยังไง พระองค์ก็ต้องเสด็จอย่างไม่มีทางเลี่ยตราบใดก็ตามที่พระองค์ยังตกเป็นทาดรักของอัคนิรุธอยู่พระองค์เสียสละให้แกอัคนิรุธมาหลายชาติหลายปางแล้วฉันไหนจะเสียสละให้แกมันไรบ้างไม่ได้แล้วจริงสินะท่านราชปุรโรหิตผู้แสนจะมั่นคงต่อความรัก แล้วสู้อุตรารอคอยมานานแต่แต่น่าเสียดายอยู่นิดนะเสียดายเลยเสียดายสิ่งใดเล่าพระเจ้าค่ะก็เสียดายที่ซากเดิมของมันไรหมดสิ้นไปแล้วไงข้าอยากจะได้พบเห็นท่านในร่างกายสังขารเดิมมากกว่าที่ท่านจะไปหยิบยืมร่างกายของคนอื่นมา และถ้าค้าจำไม่ผิดขุนพลสัตยันผู้นี้ไม่ใช่เหรอที่เคยรบเคียงคู่ฉลองพระบาทของสมเด็จพระราชบิดาของข้ามาตลอดโดยฝีมืออันยิ่งใหญ่นะแต่ท่านก็สืบทราบได้ว่าเขาผู้นี้ก็มีจิตรอบปฏิพัทธ์ข้าอยู่เงียบๆเบช่นเดียวกับท่านท่านจึงออกอุบายให้สมเด็จพระราชบิดาของข้ามีองค์การสั่งให้เขาคุมพลเป็นกองทัพแรก เพื่อไปปราบอัคนิรุธซึ่งท่านก็รู้ว่าส่งเขาไปตายนั่นเองและเขาเขาก็ถูกอัคนิรุธดักซุ่มโจมตีขณะที่พักพนอยู่ริมฝั่งเนรัญชราและถูกฆ่าสึกขว้างด้วยมีดสั้นเสียบคอเสียชีวิตลงกลางศึกในยุคนั้นศพ ข, ของเขาได้ถูกนำมาเก็บไว้ในสุสานอันเกลียดเกียดโดยยกย่องขึ้นเป็นชั้นราชวงศ์ มันไรในคราบนักรบสะแยะยิ้มอีกครั้งถูกต้องถูกต้องพระเจ้าค่ะแต่มันไรไม่ได้มีกลนอุบายใดๆดังเช่นรับสัง่งสัตยันเป็นนักรบที่มีฝีมือของมหาอาณาจักและสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ประมาณการผิดโดยมินเชิงสึกเกินไป ว่าจะทรงทราบว่าอคนิรุษนรายกาศเพียงใดก็ได้เสียข้าทหารแม่ทัพนายกองแม้ระดับขุนศึกไปเป็นจำนวนมากจนต้องกลายเป็นปรีทัพพยุห่แสนยาทับใหญ่หเท่าทําศึกดังที่รปรากฏมาแล้วพระเจ้าค่ะมันไกล ทำไมท่านถึงได้เลือกเอาซากของสัตยันมาเป็นที่สึงสู่ดวงวิ ญ, ญญาณของท่านละ่ะจิตรางคนางก็เพราะว่าซากของสัตยันเป็นซากที่เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดครบถ้วนในสรีระและชำรุดน้อยที่สุดอีกประการหนึ่งวิญญาณของมันไรรักจิตรางคนาง ซาที่มันไรเข้ามาใช้สิงสู่อยู่นี่ก็เป็นซาของชายที่เคยหลงรักพระองค์มาเช่นกันฉะนั้นจึงมีอยู่ถึงสองรักที่จะมอบให้แก่ใต้ฝ่าพระบาท <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะเอาละเราทิ้งหญิงสาวนางโง่ให้นั่งอยู่บนบัลลังมกุฎราชกุมารีนี่ไว้ตรงนี้เถอะ สบใจมากนะมันตรายที่พามาให้ได้เห็นขณะ น, นี้ข้าต้องการจะกลับขึ้นไปยังปราสาทบรรทมของข้าแนะ่ข้าก็อยากจะดูสิว่าทุกอย่างจะคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ข้าจำได้นะว่าบนมุกอันเป็นลานดาดฟ้าโล่งกว้างติดห้องบรรทมของข้านะถ้าเคยออกมาเดินเล่นชมทิวทัศน์ในราชอุทยานี่ ยามสุนทยาจะเฝ้าดูอาทิตย์อัสดงแล้วก็ยามราตรีใดที่นอนไม่หลับก็จะออกมาดูดาวดูเดือนอันเชิญสเสด็จทศพระเจ้าค่ะมันไรจะนำไปไม่ต้องรอกมันไรท่านตามข้ามาก็แล้วกันเพราะค่าจำหนทางได้ตลอดแล้วละ่ะทุกอย่างคงสภาพเดิมเกือบจะทั้งหมด ถ้าจะผิดไปบ้างก็คือกลับคืนมาในครั้งนี้ปราสาสตรของข้าดูช่างเงียบเหงาวังเวงเหลือประมาณก่อนนี้เคยคับข้างเกลื่อนกล่นไปด้วยข้าทาสบริวารสาวสันกำนันนายแล้วก็เหล่าขันทีชาวพนักงานกล่าวจบจิตกลางคนางก็ผินกายกลับก้าวเดินออกจากห้องประดิษฐานภาพขุนปั้นของตนเองออกมามันไร้ก้าวตามทุกระยะ พลางบอกมาด้วยเสียงลึกว่าผลจากบริเวณนี้ออกไปจิตกลางขนางจะทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมทุกประการแต่อย่าได้เสียเวลาทักทายใครผู้ใดที่ทรงรู้จักคุ้นเคยทั้งสิ่เขาเหล่านั้นจะไม่อาตอบโต้ราสัยใดๆกับพระองค์ได้เลยแต่จะมีปฏิกิริยาต่างๆเสมือน ในสมัยที่พระองค์เคยประทับอยู่ครั้งนั้นทุกประการพระเจ้าค่ะเมื่อออกสู่เส้นทางเดินโล่งกว้างของหินอ่อนระหว่างเสาใหญ่ที่เรียงรายอีกครั้งบับนั้นเองกิจรางคนางก็แววเสียงเพลงพินกังวานไพเราะขับกล่อมอีกครั้ง มีสตรีรูปงามในอาพรหลากหลากสีเดินกรีดกลายหัวรอต่อกระซิกอยู่เป็นห ม, หมู่บ้างก็ถือถาดกํายานที่กำลังส่งควันกรุนเหมือนจะบ่ายหน้าไปทำธุระที่ใดซักแห่งบ้างก็นั่งจับกลุ่มขับร้องเล่นดนตรีร้อยอุบะมาลายช่อดอกไม้ระริกระรีนกยูงไก่ฟ้าเดินกรีดกลายอยู่บนลานหิน เสือดาวหมอบเลียเท้าของมันเองอย่างแสนเชื่อมอยู่บนแท่นเราขันทีร่างกายกำยำคาดดาบไว้ที่เอวมือถือแท่ยืนเหมือนจะเฝ้ารักษาการอยู่เป็นระยะระยะสัพสิงรอบด้านกลายเป็นราชฐานที่มีชีวิตชีวาผิดไปจากการล่วงเข้ามาในครั้งแรกซึ่งเงียบเชียบมองไม่เห็นสิ่งใดเลย นางก้าวผ่านไปอย่างรวดเร็วทางกลางภาพที่เห็นนั้นและเมื่อผ่านเฉียดใกล้เข้าไปยังกลุ่มใดกลุ่มนั้นก็จะย่อกายลงถวายอัญชุลีอภิวาสไปทุกระยะเหล่าขันทีถืออาวุธก็จะหยุดระวางตรงแล้วย่อกายคุกเข่าคํานับเมื่อผ่านไปใกล้แล้วก็จะลุกขึ้นประจำจุดหรือเดินเกรยไปมาตามภาระหน้าที่เสือดาวทําหูรีบ เงยหน้าขึ้นเสยเขี้ยวคำรามขึ้นครั้งหนึ่งเหมือนจะทักทายนางพญาของมันพลางกวัดแกวงหางอยู่ไปมามันไตรก้าวเคียงข้างมาทางเบื้องขวาห่างประมาณหนึ่งว่าใกล้ๆแต่เกินกว่าที่จะเอื้อมมือถึงนางไม่ต้องการคำอธิบายใดๆอีกแล้วเพราะที่นี่คือบ้านเก่าที่แสงจะคุ้นเคย อย่างคล่องแคล่วชับไวที่สุดนางบ่ายหน้าขึ้นสู่ปราสาทบันทมซึ่งก่อสร้างไว้ในลักษณะเกือบจะเหมือนวิมานของเทพธิดาซอยบาทก้าวขึ้นบันไดไปอีกสามชั้นแต่และชั้นมีอยู่ประมาณ20ขั้นบันไดและมีลานพักกว้างขั้นไว้เป็นระยะระยะชั่วไม่นานก็ย่างเหยียบขึ้นสู่ห้องทันนรายอันสุดวิจิตรบรรจง ปูลาดไว้ด้วยสุจนีสีทองผนังหินริมทางผ่านแกะสลักฉลุไว้เป็นวิมานเมฆเต็มไปด้วยภาพของสัมสัตรประหลาดในหิมะผ่านและขุนเขาไกลลาดครุฑนาฏคนทันกินนอนโคชชสิงแล้วก็บรรลุถึงพระแท่นภายในห้องบรรทมชั้นในสุด อันเป็นห้องที่ประดับครบไปด้วยสัพสิงซึ่งเป็นสมบัติของราชกุมารีผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาราชอาณาจักรภายหลังจากฐานทวารอันกั้นไว้ด้วยวิสูต์ผืนใหญ่เข้าไปนั่นไงที่นอนของข้าอยู่ตรงนั้นไงยังตั้งอยู่ที่เดิมนางเอ่ยออกมาด้วยเสียงใสระคนสวนอย่างดีใจพร้อมกับชี้หัดไปที่พระแท่นใหญ่ ปูลาดไว้ด้วยหนังแกะสีขาวบริสุทธิ์มีนางกำนันรูปงามร่างออรชรนคุกเข่าราบอยู่แล้วพนมมือขึ้นเหนืออุรภางถวายสักการ ะ, สะเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรใกล้ๆเิดพระเจ้าค่ะเสียงมันไรมดังมาจิตร่างขนางเคลื่อนเข้าไปและในทันทีนั้นขณะที่นางผ่านเข้าไปใกล้ นางกำนันหน้าตาสลาสลวยหมดจุดเหล่านั้นก็ขยับเดินเขา่าถอยห่างออกไปยังทวารสำหรับออกไปสู่ดาดฟ้าแก้ววิสูดด้านนั้นก็ถูกปิดลงนางไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นคงสวนสันอยู่เช่นนั้นเมื่อมาถึงก็ทิ้งกายลงไปเกลือกลิ้งอยู่บนฟูกอันภายในบรรจุไว้ด้วยยญ้าแฟนและกลีบดอกไม้เครื่องอบหอม เปงเสียงระคนสวนลั่นออกมาว่าข้าได้กลับมาถึงแล้วกลับมาถึงที่ห้องนอนของข้าแล้วขณะ ห, หนึ่งที่ทุ่งกายลงกลิ้งนอนอยู่บนแทน่นบรรทมกว้างใหญ่ลักษณะเป็นรูปวงกลมนั้นนางได้เหลือเห็นมันไรเข้ามายืนจ้องเขม็งอยู่ที่ปลายบาทห่างออกไปเพียงเล็กน้อยจึงผุดขึ้นมานั่งโดยเร็วรับสั่งเสียงแข็ง มัอนไรนี่คือราชฐานชั้นในสึกอันเป็นห้องบรรทมของราชกุมารีนอกจากนางกำนันอันเป็นพนักงานฝ่ายในและสมเด็จพระราชธิราชบิดาของข้าแล้วไม่มีใครบงังอาจก้าวล่วงล้ำเข้ามาได้เลยแล้วท่านถือดียังไงยึงเข้ามาจนถึงที่นอนของข้าออกไปนะออกไปเดี๋ยวนี้ดวงตาสองคู่ ประสานตานนิและนางได้แต่จ้องค้างดุดนกที่ตกอยู่ในมนสกดของตางู175หหัตถิทีขยับจะเอื้อมไปยังพระแสงดาบอันติดไข่กันอยู่เหนือแท่นบันทมยกค้างอยู่เช่นนะั้น จีกลางขนางเอ้ยโดยไม่หิทธิอำนาจประกาศิทแห่งมันไครผู้ครองมหาคันภีมายาวินจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่มันไครจะสัง่งปฏิบัติตามโดยต่อต้านขัดถึงใดๆไมิไ ด, ด, ได้ทั้งสิน้น เสียงแหบพร่าดังกล้องมายังระบบโสตและระบบจิตสมองริมฝีปากขยับมุกหมิดมันไรข้าได้ยินท่านแล้วข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านจงฟังจงฟังจิตรางขนาง ยงถอดส้อยพระสอที่มีสิ่งอันชั่วร้ายเป็นเสนียดนั่นออกเสียถอดออกแล้วลว้างไปห่างพระองค์ที่สุดถอดออกไปยังตกอยู่ในอำนาจสะกดโดยปราศจากสำนึกหัดของนางทั้งสองค่อยๆ ย, ยกขึ้นเอื้อมไปแตะสร้อยคอ สร้อยอันความจริงก็คือสร้อยของดารินวราริศที่แขวนสมเด็จพุทธาจารย์โตพรุหมรังสีและสมเด็จวัดปากน้ำสององค์ติดอยู่แล้วบัตรนั่นเองเสียงระเบิดก็กำบ้าหน้าตูมขึ้นอนุภาพของมันสถานสะเทือนจนกระทั่งเศษหินผลึกที่ปกคลุมอยู่ราวกับครอบแก้วนั้น ลมร่วงพลูลงมาทั้งกระบี่เกิดเป็นช่องทะลุเข้ามากระทบพื้นห้องบรรทมแตกกระจายเป็นฝุ่นคลุงสับระสิ่งภายในห้องสั่นไหวไปหมดพร้อมกับคลื่นเสียงที่ดังปานฟ้าผ่ามันก้องกระหึมไปทั่วนั้นก็มีเสียงแผดตะโกนสุดเสียงตามติดมาจากช่องที่ปรากฏรอยโวทะลุของเพดานนั้นน้อยอย่าโทษนะ ระวังตัวมือที่กําลังกำสร้อยแขวนพระเครื่องอยู่และเตรียมจะกระชากออกชงักอยู่เพียงนั้นพร้อมกับสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาในฉับพลันเสี้ยวของวินาทีนี้เองที่หล่อนได้กลับคืนมาเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์อีกครั้งและสําเนียกได้ว่าเสียงตะโกนแทร้ตามเสียงระเบิดลงมานั้นเป็นเสียงละล่าละลักของเชิดถาพี่ชายใหญ่ สาวเพ่นสุดแรงเกิดหางออกจากบริเวณแท่นบันทมใหญ่ที่ยืนอยู่พร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างภาพที่หลอนเห็นในยามนี้มันผันแปรไปหมดสิ้นเหมือนคนที่ตื่นยางผลิพล้ำขึ้นมาจากห้วงฝันห้องคานารายอันงามวิจิตรนั้นบัดนี้มันคือห้องครูหายหินที่เก่าคร่ำเต็มไปได้วยสิ่งของวัตถุโบราณซึ่งมันเก่าซชจนแยกประเภทไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร เต็มได้หินมอกหินย้อยตะปุ่มตะปำที่เกะกะไปหมดร่างที่ยืนประจันอยู่เบื้องหน้าและเอื้อมมือมาจะคว้าตัวของหล่อนซึ่งดีแต่ว่าเพนโดดหลบออกไปได้ทันแต่เดิมทีนั้นหล่อนก็มองเห็นเป็นร่างของชายชกันในชุดขุนศึกอันงดงามเต็มบไปด้วยสง่าราศีแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นซากกระรุ่งกระริ่งของไอ้ผีดิบแสนปี อันแสงจะน่ากเกลียดน่ากลัวไปซะและและกำลังเดินปรีย่างสามขุมเข้าใส่นอกจากร่างอันมหึืมาของไอ้มัมมี่นั่นแล้วทุกซอกโพรงซึ่งเป็นทางเข้าออกบัตรนี้ก็ปรากฏซากอันแสนทุเรศของสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและวิญญาณเท่าว่าบัตรนี้สภาพของมันไม่ผิดอะไรกับเหล่าผีดิบที่หลอนเคยพบเห็นมาก่อนแล้ว มีทั้งเพศหญิงและเพศชายกําลังโผล่มาเป็นฝูงทุกทิศทุกทางเต็ม ไ, ไปหมดอาการของมันเหล่านั้นก็คือเคลื่อนเข้ามาหาหล่อนในลักษณะบีบล้อมไว้รอบได้มีลักษณะเหมือนจะหมายฉีกเนื้อหนังหล่อนออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดต่อกันไปกับสภาพที่ดารินกําลังถอยร่นเพื่อหาทางหลีกหลบจากด้านบนที่หล่อนยังไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ เสียงปืนก็ระเบิดแทศสนันวันไหวขึ้นอีกชุดหนึ่งประสานกันจนแก้วหูของแหลนแทบแตกมันถูกยิงกระนํำลงมาจากช่องร้อยโถซึ่งสูงขึ้นไปประมาณ 4-5 หเมตรนั้นไอผีดิบมันไรที่หน้าหลังหูว้างไปก่อน ตรงหน้าแทบหนึ่งของมันถูกกระสุนขนาดล้มช้างชีพกระดูหนุแยะกระเด็นแวบหายไปและอีกสองสามทราบที่กำลังเคลื่อนคาใตล่ล่นที่สุดล้มตึงลงบนท่อนไม้ถูกผลักสิ่งเหล่านี้หลอนมองเห็นด้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความสับสนอลมานแทบจะแยกเหตุการณ์ไม่ถูกว่าอะไรรู้แต่เพียงว่าตนเองพยายามกระโดดถอยร่นหนีอยู่ไปมา และต่อมาก็มีอะไรชนิดลักษณะค ล, คล้ายห่วงวงกลมหลอยจากด้านบนอันเป็นที่มาของเสียงปืนเหล่านั้นตกลงมาตรงหน้าหลอนนายยิงย้อนหน้าขบานเขาใส่มันเร็วเขา้าเร็วสำเนียงแผดกึกก้องลงมาในครั้งนี้เป็นเสียงที่จําได้ว่าเป็นเสียงของนานอิน ดารินไม่อาจเข้าใจใดๆ ไ, ได้ในครั้งนี้รู้แต่เพียงว่าสิ่งที่หลอนจะต้องทำก็คือปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งของพักพวกที่หลอนก็ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไงก้มตัวลงไปคว้าห่วงวงกลมนั้นขึ้นมาในันด้วยสัญชาตยานอันรวดเร็วฉับไวขีดสุดอันเป็นบุคลิกเดิมของดารินทันทีที่สิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในมือของหลอนเท่านั้น ไอ้สุรกายซึ่งมีแถบหนึ่งของใบหน้าแหวงหายไปด้วยแรงกระทบของลูกปืนซึ่งกดลงมาจากด้านบนและมีอาการเหมือนจะพุ่งตัวเข้ามาที่หลอนอีกก็ยกแขนทั้งสองขึ้นป้องปิดหน้าของมันไ ว, ว้วัดวาดอยู่ไปมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องแหบโหยยาวเยือก oh, ส่วนบริวารของมันทั้งสิ้นมีอาการหยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่ดุดหุ่นยนต์ที่อำนาจบังคับด้วยคลื่นวิทยุ ได้สิ้นสุดลงเวียงใส่มันเดี๋ยวนี้น้อยเวียงสิ่งนั้นเข้าไปคราวนี้เป็นเสียงตะโกนเสียงหลงของอนุชาพี่ชายกลางไม่มีเวลาให้คิดหรือใคร้ครวรอะไรอีกแล้วดารินกัดฟันเวียงร่อนสิ่งที่หลอนถืออยู่ในมือนั้นไปทั้งซากอสุรากายของมันไรในทันทีตามเสียงสั่ง ฉับพลันที่สิ่งนั้นหลุดพ้นมือของหล่อนภายในคูหายหินที่หล่อนอยู่ในขณะ น, นี้ก็มีประกายสว่างโชนโชดเขียวเข้มดุดตะไลเพลิงหมุนควงเป็นบวงไฟวาบวับพุ่งตรงเข้าไปที่ซ่าของไอ้ผีดิบมันไรแล้วโอบกระวัดรัฐเข้ากลางลำตัวของมันราวกับสายเชือกแทงพระเพลิงที่ควงตัวไปรัดไวเสียงมันแพ่ร้องกึกก้องขึ้น ยาวเยืองและพริกดิ้นทุรนทุรายไปรอบๆมีอาการเหมือนจะสลัดบ่วงเพลิงนั้นให้หลุดออกจากกายให้ได้แต่ไรผมจิตรางขนางจิตรางขนางช่วยมันไรด้วยเอาหน้าขบาดออกให้ทีช่วยมันไรด้ว ย, เ, เ, ว ย, วยเสียงร้องนั้น เป็นที่น่าปริเวทนาการยิ่งนะมันไม่เพียงแต่จะกล้องอยู่ในประสาทสัมผัสของหล่อนเท่านั้นแต่ดูเหมือนจะกล้องไปถึงสวรรค์แลนะนรกทุกชั้นส่วนเซดิ้นรนแล้วก็ลม้มลงพลิกความขมัางายเกลือกเล้งอยู่กับพื้นหินบวงไฟยังคงลุกเป็นเปลวโชั่ช่วงรัดรอบกายของมันไว ยังไม่มีสิ่งใดที่จะมาคลี่คลายออกไปได้ดาริงยืนตะลึงจ้องอาการดิ้นทุรนทุรายราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังผูกเผาทั้งไป น, นั้นด้วยอาการมึนงงหล่อนไม่เข้าใจอะไรเลยหักพวกเบื่องบนสั่งให้หล่อนทำอย่างไรหล่อนก็ปฏิบัติไปเช่นนั้นแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนที่สุดอยู่คนเดียว ซอสุรกายทั้งหลายที่โผล่ออกมาทุกคิดบัดนี้ล้มตึงลงหมดสิน้นสภาพของมันดูไม่ผิดอะไรกับสมัยที่หลอนเข้าไปถอนปริดอันปากตรึงคาพีมายาวินออกที่ปราสาพทพันทุมมวดีในครั้งซึ่งทำให้ไอ้พวกผีนรกทั้งหลายหมดฤทธิเดชลงไปในทันทีเบื้องหน้าหลอน ไปเพียงแค่ไม่เกินสามวานันบัดนี้ซากของไอ้ผีร้ายที่วิญญาณของมันไรเข้าไปสิงครองอยู่แน่นิ่งไปแล้วภายหลังที่ลม้มลงดิง้งพลิกอยู่สามสี่ตลบบวงไฟที่มัดพันอยู่รอบ ก, กายผ่อนรัฐสมีอันเป็นเปลวอยลงเหลือแต่ความเขียวขาวสว่างเรือชั่วขณะหนึ่งที่จ้องไป ดารินแลเห็นเป็นวงพญานาคสองหัวเกี่ยวกระวัดไข่เสียนกันอยู่แล้วต่อมาก็ปรากฏเป็นลำแสงหมุนเป็นเกลียวขึ้นเหนือซากนั้นรวมตัวมาเป็นเรือนกายของสตรีโฉมสครานนางหนึ่งทรงมงกุฎ ร, ราคัทนาคราชอยู่เหนือเสียนนางได้เหยียบยืนอยู่เหนือซากที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งครายยิ้มอยากริมโอดรูปงาม นาคเทวีดารินขยับริมฝีปากกระสิบใช่เราเองเธอเป็นอิสระสสต่อการจองเวรจากเจ้าปีศาจอาศุลไ ร, ร้ายผู้เรืองเวอันท้าทายสวรรค์และนรกร ท, ทุกชั้ น, นตนนี้แล้ะ มันเป็นผู้ที่ทรนงว่ามีฤทธิ์เหนืออินพรหมย ม, มาราชมาช้านาะนเราเองได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้เป็นผู้มาฆ่าดวงวิญญาณมั น, นกลับลงไปสุ่ขุมนรกแต่เราก็ไม่สมโอกาสช่องเหมาะแม้แต่สักครั้งมาครั้งนี้เป็นโอกาสของเราแนละ้วที่จะได้ยืมมือของเธอตามวาระอันควร เพื่อใช้หน้าขบาทรวบรัดจองจับมันไว้ไม่มีสิ่งใดในสามภพจะพันธนาการดวงวิญญาณอันชั่วร้ายเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเวทมนต์ของมันได้นอกจากหน้าขบาทอันได้รับองค์การประกาศิษจากพระมาหาเทพเท่านั้นและผู้ที่จะใช้หน้าขบาทเส้นนี้ได้อย่างสำริธทิผล ก็จะต้องเป็นจิตร้างคันนางอันเป็นผู้ที่มีอดีตต่อเนื่องมากับมันเท่านั้นมันล้างผลาญจองเวรเธอมาทุกชาติพบแล้วจนนับไม่ถ้วนมันก่อกรรมทำเข็นต่อเธอมาตลอดแต่มาในชาติพบนี้ถึงกำหนดถึงกำหนดที่มันจะต้องชดใช้กรรมแล้ว มันไตรจะต้องกลับลงไปสู่นร ก, กภูมิอันมีท้าเวสุวรร์รอรับอยู่โดยไม่มีโอกาสไปสู่พบอื่นอีกพบอื่นอีกเลยนับอสงไขยปีนรกดารินชุดกายลงคุกขายพนมมือถวายสักการะนางพยาบาดานยกหัดขึ้นประทานพล เราไปก่อนแล้วนะขอความสวัสดีจงมีแด่เธอจิตรางขนานผู้ยึดถือสัจจะมั่นในความรักและประกอบคุณธรรมความดีงามมาโดยตลอดสิ้นกระแสสั่งนั้นร่างของหน้าคะเทวีก็แปลสภาพเป็นเกลียวเพลิงหมุนติวแล้วดูดหายลงไปสู่ใต้คืนพิภพ ดารินวราริษยังคงนั่งพนมมืออยู่เช่นนั้นเบื้องหน้าบริเวณที่ซากบรรไดล้มลงไปกลิ้งอยู่บัดนี้เหลือแต่เพียงกองเท่าทานไม่ดำเกรียมไม่เหลือส่วนหนึ่งส่วนใดของซากให้เห็นอีกเลยแม้แต่นิดเดียว